ที่เป็นจาไม่ได้ทําเป็นจารคนเนี้ไม่ได้ทํานนทําไมต้องมารับมันไม่ยุติธรรมเลยค่ะใครก็ไม่รู้ทําไว้แต่เราต้องมารับกรรมเนี่ยค่ะท่านอาจารย์อยากถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรถามอยากย้ำปรับเรียนท่านอาจารย์ช่วยอธิบายตรงนี้ให้เพื่อนเพื่อ น, อนได้ได้ได้ทราบบ้างค่ะเกิดไม่ได้ทําแต่ทําไมไมาโยนให้เราเนี่ยเลยก็ ทำดีตลอดเลยแต่ทําไมจะต้องไปรับอันนั้นด้วยคือ <c oughs> ถ้าดีตลอดจริงๆมันก็ไม่ต้องรับหรอก <c oughs> แต่มันดีบ้างไม่ค่อยดีบ้าง <c oughs> คือคําว่าดีบ้างไม่ดีบ้างหมายถึงว่า <c oughs> ชีวิตตามพระพุทธศาสนาไม่ได้กล่าวชีวิตเพียงชาติเดียวใช่ไหมเมื่อ <c oughs> ไม่ได้กล่าวชีวิตชาติเดียวเนี่ยเราละเลิกชาติได้หรือเปล่าไม่ได้เมื่อไม่ได้เนี่ยเราจะกล่าวว่าสิ่งนั้นไม่สมควรแก่เราไม่ได้ ในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีอุบาสกคนหนึ่งแกฟังธรรมอยู่ทั้งคืนมาฟังธรรมะนะมีศรัทธาฟังธรรมทั้งคืนเช้ามาเนี่ยกลับบ้านเข้าเอาไปตัดคอเฉยเลยถามว่าสมควรหรือไม่คือเขาถือว่าโจรเนี่ยปล้นโจร น, นี่เขาปล้นหมู่บ้านใช่ไหมแล้วก็หนีไปทหารอิโนโอยเนยไม่รู้มาจับเอาอุบาสกคนนี้ไปแล้วก็ตัดคอเขาว่าอุบาสกคนนี้ไปปล้นมาทั้งคืนไปปล้นมา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 เอกชายคนหนึ่งเนี่ยพาเมียสวยมาเนี่พาเมี ย, ย, ม, า ม, า ม, ยมาก็อเจ้าหน้าที่นี่คิดยังไงนะจะเอาจะเอาเมียของคนนั้นอะ่ะมาเป็นเมียของตัวก็เลยวางแผนวางแผนจนฆ่าอีกคนหนึ่งได้สําเร็จไอข้าคนนั้นนะสําเร็จก็บอกว่าด้วยเศษกรรมมานั้นเนี่ยมาชาติหลังฟังทำอยู่เขายังเอาไปตัดคอเลยนั่นนะนั้นถ้ามองโดยเหตุผลยาวๆนั้น จะกล่าวว่าวิบากที่เราได้รับไม่สมควรหาไม่ได้ก็แปลว่าสมควรแล้วแต่ทีนี้เนื่องจากว่าเรามองชีวิตสั้นไปเราละลึกชาติได้แค่สั้นไปเราละลึกถึงชีวิตที่ผ่านมาได้น้อยไปแลอย่างหนึ่งเรารู้จักคำว่ากรรมน้อยไปเนี่ยนะเพราะกรรมนั้นตามคติของเราทั้งหลายที่เราศึกษามาก็คือกรรมบางอย่างให้ผลชาตินี้กรรมบางอย่างให้ผล ชาติหน้ากรรมบางอย่างให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นวิบากที่เรากำลังได้รับอยู่ขณะนี้ก็เหมือนกันวิบากนะบางอย่างเป็นผลของชาตินี้เจตนาดวงที่หนึ่งเราสะสมกันมาเท่าไหร่ล่ะตั้งแต่เกิดมานตั้งแต่อยู่ในคัาเนี่ยมาเจตนาดวงที่หนึ่งเราสะสมมามหาศาลดวงที่เจดของชาติที่แล้วถัดชาติถัดที่ผ่านมาดวงที่สองถึงดวงที่6กในวัตตะอันไม่มีที่สิ้นสุด นั่นนะแสนโกรธกลับเขาก็ไม่ลืมเรานันะแสนโกรธกลับก็ไม่ลืมเราในบรรดากรรมที่น่ากลัวที่สุดนั้นดวงที่สองถึงดวงที่หกน่ากลัวที่สุดเพราะเขาไม่ใช่ว่าหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะไม่ใช่แค่ทํากรรมอยู่ครั้งเดียวเนี่ยให้ผลติดกันห้าร้อยกลับยังไง น, น่าสนใจไหยถ้าบุญเกายังชั่วเลยนะบุญก็เอา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 ถ้าได้พืชดินดีปุ๋ยดีอุตุสิ่งแวดล้อมสมควรแก่ต้นไม้ชนิดนั้นนั้นผลก็หาที่สุดไม่ได้ฉันได้กรรมทั้งหลายที่หวานลงไปก็เหมือนกัน mm hmm. เช่นว่าถ้าหวานกรรมชั่วด่าพ่อด่าแม่ทำบาปเกี่ยวกับพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยนะอย่างเช่นพระโมคคานะอดีตชาตร้อยชาติที่แล้วเมื่อร้อยชาติที่แล้วเนี่ยท่าน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 พอถูกเขาเสี้ยมสอนบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ า, ขาก็เลยเห็นด้วยว่าเออพ่อแม่เราก็แก่แล้วก็ควรฆ่าซะ ก, ก็ก็เชื่อเชื่อมีนเนี่ยนะเพราะความความรักเนี่ยก็เลยชวนกันไปชวนกันไปที่ป่าคือคือเอาพ่อแม่เนี่ยขึ้นเกวียนไปพอไปถึงป่าก็แปลงร่างเป็นมหาโจรเองเลย พ่อแม่นี่ก็ความที่รักลูกก็บอกลูกเอ้ยหนีไปเถอะหนีไปเถอะไอ้ลูกก็สวมบทโหดฆ่าพ่อฆ่าแม่ด้วยกรรมอ น, นันต์เนี่ยแกก็หมกไหม้ในนรกนั่นแหละทุกชาติหลังจากนั้นมาเนี่ยจะถูกทุกตายทุกชาติกระดูกเนี่ยเป็นข้าวสารหมดทุกชาติร้อยชาติมาแล้วไอ้ที่ตก น, นรกในอดีตต่างหากนั่นแหละแต่ว่าเศษกรรมเนี่ยทําให้หมกไหม้ยอยู่ในนรก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 ที่ที่หินเนี่ยใกล้ๆเมืองราชครืกนั่นแหละถูกทุบขนาดนั้นนั่นเศษกรรมนั้นบางอย่างนะถ้าทาบาปไว้ครั้งเดียวนี่ก็เกินพ อ, อเนี่ยนะก็เกินพอแล้วที่จะรับวิบากเรียกว่ า, าไม่ใช่ชาติเดียวยเนี่ยไม่ใช่ชาติเดียวเหมือนกับปัญหาเนี่ยนะถ้าเราศึกษาชีวิตบางคนเนี่ยนะมีปัญหาที่เรียกว่าไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเราสังเกตดีๆว่าเราเนี่ยทำดีจริงอยู่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 ผลแห่งบุญยังให้ผลเป็นชราและมรณะเพราะผลแห่งบุญให้ผลเป็นชาติเมื่อมีชาติก็จำต้องมีชราและมรณะพอชรามรณะเนี่ยสัตว์ทั้งหลายอาศัยชราและมรณะนี่แหละทากรรมทากรรมอย่างมากเพื่อ น, นำไปสู่การเกิดก็มุ่งไปหาชราและมรณะผล เ, เหตุแห่งชราและมรณะนั้นก็คือกรรมกรรมมีอะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญ นนะทำไมกรรมจึงให้ผลเป็นชราและมรณะอะไรมันเชื่อไมไว้ทั้งๆ้ที่กรรมทำไว้เมื่อแสนกับที่แล้วอะไรเป็นตัวประสานไว้เชื่อมเอาไวล้ล่ะอนะตันหาเป็นตัวประสานไวนะ้เพราะว่าถือว่ายังอยู่ในดินแดนแห่งตันหาอยู่วิบากกรรมมาชรูปนี่ถือว่าเป็นแดนโครจรแห่งตันหาพัะเมื่อยังอยู่ในแดนโครจรของตันหากรรมนี้จะไม่เลิกรา อันหลายๆคนเนี่ยนะถ้าถึงจะเป็นตอนหลังเนี่ยอตอนแรกเป็นคนไม่ดีมาก่อนตอนหลังมาเป็นคนดีมาประพฤติปฏิบัติธรรมกรรมเหล่านั้นไม่ใช่ว่าเขาจะลืมตัวอย่างพระอนนท์นี่ดีมากนันะพระอนนท์นี่เมื่อออดีตก่อนหน้านั้นท่านเป็นนายช่างทองเป็นบุตรนายช่างทองผู้ผู้รูปงามร่ํารวยเนะีนะ่ยนะนะความที่รูปงามร่ํารวยท่านก็เอาไปใช้ในทางที่ผิด คือไม่ได้อาศัยสิ่งเหล่านั้นในการเจริญกุศลกลับไปทำบาปโดยเฉพาะมิจฉาจารย์ไปล่วงเกินบุตรและภริยาแห่งผู้อื่นํำนวนคำพีท่านใช้คำว่าทำตนเหมือนไม่ตายแล้วก็หลังจากนั้น่ะดวงที่สองถึงดวงที่หกก็นำให้เกิดท่านเป็นบุตรเศรษฐีอยู่คนหนึ่งที่มีฐานะดีแต่ว่าเกิดได้อาศัยกลยานมิตรเข้าชาตินั้นเป็นเศรษฐีใจบุญทั้งชาติทาบุญตลอด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 แล้วก็กลบเกลื่อนตัวเองซะบอกปิดแต่โทระนี่มีกําลังระยะยาวนะนี่มันโกรธอะไรแล้วไม่ค่อยเลิกราเด็กๆนี่เสียใจทะเลาะ ก, กันร้องให้แต่เดี๋ยวก็คืนดีกันนนีน่แต่ผู้ใหญ่เนี่ยทะเลาะ ก, กันดูไม่มากแต่ว่าชาตินี้สงสัยร่วมสังฆกรรมกันไม่ได้สังฆะแล้วว่าหมู่นะกรรมก็คือเข้าหมู่เข้าพวกอีกไม่ได้ต่อไปนนีน่จริงก็เรื่องไม่ได้ใหญ่โตอะไรหรอกมัน ผู้ใหญ่เนี่ยโทสะมีกำลังเด็กนี่โทมนัสมีกำลังแต่ว่าโดยรวมๆเขาก็กลุ่มเดียวกันเดียวก็หัวเราะเดียวก็ร้องให้พันเวทนาทั้งหลายเนี่ยนะเวทนาทั้งหลายอาศัยอะไรเกิดอาศัยรูปประขันเกิดใช่ในทีฆนักขาสูตรเนี่ยนะเป็นสูตรที่หลายท่านชอบสาธยายก็ดีนะสั้นๆ น, นะนะเจ็บเก็บเอาเฉพาะเนื้อหา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 ถ้าเป็นอารมณ์ปางกลางทั่วทั่วไปอุเบกขาเวทนาก็เกิดขึ้นขณะใดที่เสวยสุขเวทนาขณะนั้นก็ไม่มีเวทนาอย่างอื่นมีแต่ความสุขขณะใดที่เสวยทุกขก็มีแต่ความทุกข์ไม่มีเวทนาอย่างอื่นมีแต่ทุกข์อย่างเดียวขณะใดที่เฉยขณะนั้นต้องมีแต่ความเฉยอย่างเดียวสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปก็สุขเวทนานี่ไม่เที่ยงนะน อันปัจจัยปรุงแต่งเพราะต้องอาศัยวัตถุและอารมณ์ใช่ไหม Howard, เมื่อวัตถุเปลี่ยนไปอารมณ์เปลี่ยนไปเวทนาก็เปลี่ยนไปเมื e ่อเวทนาไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดานเนี่ยนะทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยงอทุกขมสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน เพราะถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปลุนไปเป็นธรรมดาอริยะสาวกเมื่อได้ฟังอย่างนี้จะเบื่อหน่ายแม้ในสุขเวทนาความสุขก็เป็นของหน้าเบื่อหน่ายใช่ไหมเพราะพระองค์ตรัสว่าให้เห็นสุขโดยความเป็นทุกข์ทําไมจึงทุกข์ล่ะอยู่นานไม่ละ่ะความสุขอันนั้นก็ไม่นานให้เห็นสุขโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกข์เป็นดังลูกศรเสียแทงไง ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี่มันเสียดแทงจริงๆแล้วก็เห็นอุทุกข์มสุขคเวทนาคืออุเบกขาโดยความเป็นของไม่เที่ยงถ้าผู้ใดเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์ได้เห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นเป็นลูกศรได้เห็นอุเบกขาเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้เขาจักสงบราคะโทสะและโมหะเที่ยวไปเพราะผู้ที่พิจารณาสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์จักรราคะได้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 ปัจจัยที่จะทำให้โสมนัสโธมนัสที่มีกำลังเนี่ยมันค่อนข้างมากะนะก็ว่าเป็นรายคนไปการพิจารณารูปที่แสดงแบบย่ยอๆกับพิจารณาเวทนาแบบยอ่อๆหรือเวทนาสามเนี่ยนะถ้าใครสามารถเพียนเพ่งพิจารณาอย่างนี้ได้ ม, มากมากสามารถเจริญได้เป็นอัธยาศัยก็เชื่อว่าเพียงพอที่จะดับทุกข์ได้เพราะรว ม, รวมๆวนี่นะกายใครก็ตามก็ประชุมแห่งมหาพูธ ทุกคนก็เสวยเวทนาสามก็มีอยู่เท่านี้จริงๆถ้ากรรมมศกตาดีพี่ารณาให้มากให้ละเอียดอย่างรอบคอบพี่ารณาอย่างนี้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดสายก็เพียงพอที่จะดับทุกข mm hmm. เชื่อไหมว่าสูตรนี้ภาษารีบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต์พระสูตรนี้ น, นะเรียกว่าทีฆะนักขาสูตรเนี่ยนะที่ถ้สุกราขาตามันเนื้อหาแต่ย่นยอ่อแต่ถ้าไปพิจารณาแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะ <c oughs> ขึ้นต้นกับมาริซอนอ่ะนะเดี๋ยวไปเรื่อยแล้วครับนี้เ <c oughs> สียคนกองงานนี้เขาบอกว่าอะไรทำมากะถิญยามทายขึ้นแล้วก็ว่าไปเรื่อยว่าองั้นไม่รู้จบที่ไหนโอ้ทำไมแก้วมันใหญ่ขนาดนี้น้ำร้อนอ่ะนะ <c oughs> เขาบำรุงอาโปธาทีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ต้องอาโปธาแบบเตโชนี่หน่อย มาขึ้นมงคลต่อเลยเนาะมงคลได้กี่มงคลแล้วนี่3 ส, สามมงคลนะมงคลข้อที่หนึ่งการไม่ครบคนพานแล้วเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าใครเป็นพานล่ะก็ความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจเนี่ยนะียกาย หรืออีกในหนึ่งก็คนะืออากุศลกรรมบทสิบเป็นเครื่องวัดในความเป็นพานพันขณะใดก็ตามที่อากุศลกรรมบท10บเกิดแก่บุคคลใดเมื่อใดบุคคลนั้นเรียกว่าขนพานความเป็นบัณฑิตก็อากุศลกรรมบท10บประการเนี่ยนะฉั้นใครที่ประพฤติในอกุศลกรรมบทโดยมากผู้นั้นก็เรียกว่าเป็นพานผลแห่งความเป็นพานก็คืออบายทุกติวินิบาดนรกเนี่ยนะฉะนั้นถ้าอยู่ที่นี่ ใครมนาสิการเสียงบ้างหรือได้ยินแต่เสียงแอร์นนะกลางคืนได้ยินเสียงบ่อยไหมมีกบแปลกตลาดร้องไม่เหมือนเสียงกบเลยนะกัาเลยนะเขีย่ยตะปากใช่ไหมร้องดัง แ, แปลกๆกันเลยนั่นเสียงของหมู่เดราชานทั้งหลายถ้าใครระลึกนึกถึงเหตุนเนี่ยนะนั่นเป็นผลแห่งทุจริตสาม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 อา้าวมดก็กินสิสัตว์ทั้งหลายนี่ต้องอาศัยมหาพอ่ะขาดมหาพูทอยู่ไม่ได้หรอกเนี่ยนะมันต้องมหาพูทมาเติมมหาพูทตลอดนะนะแล้วก็มันเวลามันไปสแสวงหาอาหารเนี่ยนะมันก็ถูกสัตว์อื่นกินอีกนะแต่ปริมาณมันมากเราจําตัวไหนเป็นตัวไหนไม่ค่อยได้เราก็เลยนึกไม่ค่อยออกว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าว่าโดยรวมๆนะเขาเขาเดือดร้อนมากแล้วถ้าทางเดินขึ้นกุฏินะช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นไอ้ทากอะ มันก็ต้มเตียมตมเตียมตมเตียมไปเนี่ยนะที่เราก็โวแต่เดินคิดเรื่องอื่นดูที่อื่นอยู่ก็ดังคร๊บขึ้นมาแล้วก็รู้และไม่มีหมอมีพยาบาลไปรักษาซากคนเลยนะแล้วก็ไม่รู้จะไปใส่ตรงไหนนะเพราะมันกระดูกมันอยู่ข้างนอกใช่ไหมกระดูกไม่อยู่ข้างในแล้วมันบาดกี่ตำแหน่งอะคิดดูทุกขกายยะวิญญาณกว่าจะตายถ้าตายด้วยทุกขวิญ ญ, ญาณทุกขากายยะวิญ ญ, ญาณถามว่าควรเกิดที่ไหนนั้นจากอบายสู่อบายจริงๆนี่ยนะ ามวดไปคิดถึงนางทากอีกตัวหนึ่งก็เดือดร้อนแน่ก็ไม่ต้องไปไหนแล้วก็วนๆอยู่ในแถวทากนั่นแหละมาขึ้นมงคลเลยนะปฏิรูประเทสวาโสจะปุเพกตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปเนธีจะเอตมังคลมุตตามังมงคลข้อนี้สำคัญมากนะเพราะเป็นจักเป็นเหตทุที่จะทำให้ถึงความสุขและความเจริญในหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบเอดนะ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 ก็ตรัสว่าปฏิรูปรเทสวาโสจะปุเพจักตาปุญญาตาอัตะสัมมาปณิธิจเตมังขลมุตตะมังเนี่ยนะ mm. ก็เพราะเทวดาทั้งหลายอยากฟังเพราะมงคลทั้งหลายมีอยู่และเพราะมงคลใดๆอนุกูลแก่สัตว์ใดๆทรงมีพุทธรประสงค์จะทรงประกอบสัตว์นั้นๆเอาไว้ในมงคลนั้นนั้นคือพระองค์ต้องการให้สัตว์นี้ได้รับมงคลทวนอีกครั้งว่ามงคลคืออะไร mm. เหตุแห่งความเจริญ พระองค์นี้ประสงค์ต้องการให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้รับเหตุแห่งการเหตุแห่งความเจริญมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นี่คําว่าปฏิรูป ะ, ะปฏิรูโอก็มาจากปฏิรูปะที่แปลว่าสมควรโอกาสเป็นที่อยู่ที่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นคามนิคมนครชนบทก็ชื่อว่าเทสะเทสะนี่แปลว่าที่อยู่นะคามนี่แปลว่าหมู่บ้าน นิคมก็คือตำบล น, นครก็คืออำเภอชนบทก็คือจังหวัดนะนีชนแปลว่าอะไรจะแปลว่าด้วยหรือไทยๆก็เรียกว่าและอันนะัคุณวิลาวันและคุณชูศรีอย่างเงี้ยนะครัเรียกว่าและอนนก็บอกว่าวิลาวันจะชูศรีจะเนี่ยนะอย่างเงี้นะยจะตัวนั้นแปลว่าและหรือแปลว่าด้วยก็ได้ วาสะแปลว่าการอยู่นี่นะปฏิรูปรเทสวาโสถ้าแปลรวบตามศัพท์ก็คือการอยู่ในประเทศที่สมควรบทว่าปุเพแปลว่าแต่ก่อนคือในชาติที่ผ่านมาชาติที่ล่วงมา น, นะปุเพอะไรปุเพกตปุญญาตาทำบุญไว้แล้วในชาติก่อนข้อสก็ความเป็นผู้มีกุศลอันสังสมแล้วชื่อว่า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 การประกอบไว้คือการตั้งความปรารถนาของตนเอาไว้ชอบอธิบายว่าการตั้งตนโดยชอบชื่อว่าอัตตะสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้โดยชอบคือการตั้งความปรารถนาะก็คือปรารถนาดีรู้จักตั้งความปรารถนาเนี่ยนะเรียกว่าอัตตะสัมมาปณิธิดังนั้นการตั้งความปรารถนานี้ควรทำหรือไม่ควรเพราะเป็นเหตุแห่งความเจริญเป็นมงคล สรุปในคาถานี้นะหนปฏิรูประเทสวะโสการอยู่ในประเทศที่สมควรปุเพจกตปุญญาตาความเป็นผู้มีบุญที่ทําไว้แล้วในชาติก่อนสก็อัตตะสัมมาปณิธิการตั้งความปรารถนาไว้โดยชอบตั้งความปรารถนาไว้โดยถูกต้องทั้งหมดทั้งสข้อนี้เรียกว่าเป็นมงคลทีนี้มาขึ้นมงคลที่สดังกล่าวไปนะทบทวน เพราะเมื่อกี้นี้เน้นขยายโดยศัพทีนี้มาขยายโดยอัฏฐะเนื้อความว่าส่วนการพนานาความพึงทราบดังนี้ในประเทศใดบริษัทสี่ยังจาริกอยู่ยังบังเพนบุญกิริยาวัตถุมีทานเป็นต้นอยู่นวังฆ่าสัตวสาสตร์คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ประกอบด้วยองค์ก้ายัางรุ่งเรืองอยู่ประเทศนั้นชื่อว่าปฏิรูประเทศอันนะ ที่ใดที่ให้ทานได้รักษาศีลได้เจริญภาวนาได้ที่นั่นก็เรียกว่าปฏิรูปประเทศนี่ในที่หนึ่งในที่สองพระไตรปิฎก ค, คือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระคำสอนของพระพุทธเจ้านะจะเรียกองค์เก้าก็ได้นวะบวกอังคะบวกสัตว์บวกศาสนะนวะแป ล, ปลว่าเก้าอังคะแปลว่าองค์สัตว์หมายถึงพระพุทธเจ้าศาสนาก็คือคาสอน ถ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ประกอบด้วยองค์เก้ายัางมีอยู่หงนเรียกว่านาวังคัสตุศาสตร์คำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่ที่ใดที่นั่นเรียกว่าปฏิรูประเทศเห็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะถ้านับย่อๆนับหนึ่งก็ได้ใช่ไหมหเรียกว่าวิมุตติรสหนึ่งโดยรส2องทำกับวินยัยสปิดดก3ห เนกายห้า้าคือองค์เก้าสุตตะคยะเวยกากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะเป็นต้นนะนะ